การคนก็ามาไดีนะแอ่ดีดี <c oughs> เพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันคันยานามิตรคือบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามขันยานธรรมก็คือมีสติมีสมชัญญะในการปฏิบัติโดยจฉากแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไร้กลายเป็นสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกทําความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เรียกว่ากันะยะนาณธรรมเรามีกันะยะนามิตรกันยาณธรรมของชีวิตเราเรียนพวกเรามาทาหน้าที่โดยตรงอปฏิบัติธรรม มาศึกษาชีวิตของเราในชาตินี่ในพบนี้แหละไม่ใช่พบได้พรมใดอยู่ในเทวดาอยู่ในสวรรค์ในอินในพมในนรกไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้แหละอยู่ในชาติที่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนน่ยไม่ใช่ไม่เลือกทุกสาขาอาชีพไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยลัทธิในกายใด เนี่รามาปฏิบัติในนี้สติสติมันจะเกิดขึ้นในโลกนี่แหละในโลกที่มีทุกในโลกที่มีโกรธไม่โลกไม่หลงนี่แหละแต่ยังมีทุกอยู่ก็ใช้ได้ล่ะปฏิบัติได้แต่มีความโลกความโกรธความหลงนั่นแหละเป็นโอกาสที่เราจะต้องปฏิบัตินี้เกิดมีแก่มีเก็บไม่ตาย เอเราก็ทําได้จริงๆริงเวลาใดมันหลงเราก็สร้างควารู้ความรู้สึกตัวแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เสียหายเวลาหลงก็รู้ลยไม่เสียหายแต่หลงหลงไปเลย น, นั่นไม่ดีเนินช้าแต่มันหลงหลงไปกาจะได้รู้ เราไม่หลงก่อสร้างตัวรูดอยู่นี่ละในตัวรูดเสกตัวรูดเสกเตอวอยู่นี่การกระทำด้วยมือของเราโดยชีวิตของเราเองไม่มีใครที่ทาให้เราได้ต้องมีความมั่นใจขนาดนั้นล่ะไมแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้การกระทำเป็นเรื่องของเราเอง ความทุกข์เป็นความทุกข์ของเราความหลงเป็นความหลงของเราเหตุปัจจัยที่ทําให้หลงมันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้รู้สึกไม่หลงก็มีเหมือนกัน น, นะนี่สนุกนะปฏิบัติทำเลยมันทําได้ของที่ทําได้จะไปมอบให้บุญวาดาสน า, าบาลามีที่ไหนที่ไหนวัดาสนาก็คือทําเอาเด้เนี่แหละบารามีคือทําให้เต็มให้พร้อม มันหลงอะไรก็พร้อมที่จะลุกเนี่ยพรเรามีพร้อมอยู้ทุกโอกกะมันทุกขอกพร้อมที่จะดับทุกให้มันได้ไมันใช่ไปอ้อนวอนจะทาจิตอื่นสิ่งอื่นดอกตาหะตาเหตะตาโนนาโถนี่แหละเปานี่แหละจะเป็นพฤติกรรมเรื่องพวกเรามี วิชากรรมฐานเลยสุดยอดเลยสุดยอดของวิชาที่ศึกษาอชื่อมันก็น่าลักแล้วกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทํามี่ฐานที่ตั้งมาทําอยู่ที่ตั้งมีสติตั้งไว้อยู่สิ่งที่ตั้งมันก็มีมีกายมีใจก็มีเท่านี้แหละ ันเราเนี่ายกับใจท่านเ้งแหละตั้งไว้ตรงนี้มตั้งไว้นานๆานเข้ามันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้มาปลูกลงไปฝังลงไปในดิ น, นก็นป็ีโอกาสที่จะออกลากสร้างลำต้นิ่งกานสาขาเกิดดอกออกผลทบกความรู้สึกตัวแท้ๆที่จะกลายเป็นมรรคเป็นผล ตักลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งนั่นตื่นหรอกไม่ใช่ไปซื่อไปหาไม่ใช่ไปอ่อนวอนของไม่การกระทําของเราเนี่แหละตังไ ว, รไว้รู้ไว้รู้ไว้ไม่ใช่บ่าแบกถามความรู้นะ่ะเหมือนคอมพิวเตอร์สัน่นเก็บเอาเก็บเอาเก็บเ อ, เอาความรู้เนกะ็บเอาความรู้ ให้ข้อมูลดีๆแก่ชีวิตเราอย่งไหนมาไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดีปฏิคือเปลี่ยนไล่ใลเป็นดีเปลี่ยนผิดใยเป็นถูกปฏิบัติาทางไหนไห ไ, ไม่ดีทางตาทางหงูเปลี่ยนเป็นความดีเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นเปลี่ยนได้ทั้งหมดอย่างไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนเป็นตัวลูก มาทางตาทางหูจะหมกเลี่นกายใจรูปรถกินเสียงไปยนเป็นตัวรู้เหมือนสารพัดนึกมนุษย์สมบัติจริงๆแหละชีวิตเราเน่ะเราจะไปอ้อนวอนในชาติใดเมื่อใดเวลาใดเวลาใดที่มันลงน่ะมันหลับเป็นโอกาสของเราเวลาใดที่มันทุกข์น่ะเป็นโอกาสของเราสร้างเอาเปลี่ยนเอา ไม่ต้องไปอ่อนอ่อนเปลี่ยนได้ทันทีวานได้พูดถึงเรื่องโลกเรื่องน้มโลกมันทําน้ำมันทำนะะโลกมันทําดีน้ำมันทําดีโลกมันทํน า, มมททามมททชั่วน้ำ ม, มันทําชั่วตัวสติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นโลกทํนาน้ำทํามันธรรมชาติที่มันมีกับโลก มายหลายอย่างธรรมชาติที่เกิดกับลูกขรรมะก็คือธรรมชาตินี่แหละไปเห็นมันเอาไปตู่เอาของเขาเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสัจธรรมของลูกไม่ใช่สัจธรรมของกิตของนามถ้าเราพัฒนา ถ้าไม่พัฒนานามก็เร็วล้ากว่าลูกไปเองล่ะลูกมันยังมีที่อยู่อาศัยมีบ้านมีเรือนมีข้าวปลาอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มนามนี่ก็จนกว่านี้ถ้าเราไม่พัฒนามันเถ้าเราพัฒนามันยิ่งมีที่อยู่กว่าลกูกอีกธมตั้ถ้าเราพัฒนามันอนะ ลูกมันไม่อามาตะนั่งอยู่นี้มันก็ไหลไปของมันอยู่ไหลไปไหนไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันเวลามันเปลี่ยนชีวิตเราไปชีวิตของลูกแต่มันกลื่นชีวิตของนายไม่ได้การพัฒนามันไม่มีเกิดเกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายยักษ์ใหญ่ใน่ตาสองตา มีปากปีเขี่ยวเขีเข่ยวสามสิบสองเขี่ยวสามสิบเขี่ยวตาสองตาตาหนึ่งสว่างตาหนึ่งมืดก็คือกลางคืนกลางวันเขี่ยก็คือสามสิบเขี่ยวก็คือเดือนหนึ่งมีสามสิบวันมันหมดไปหมดไปมันกลืนอันนี้ลูกมันต้องเป็นอย่างนั้น แต่น้ำม น, นเป็นอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามันมั่นคงในที่อยู่ไม่จนแต่บางคนจนมากๆข่มไล่ข่มดีัางชีวิตนะวันดีสี่วันไล่จนไม่รู้จะทำอย่างไรอะไรมาก็เอาหมดรับเอาหมดไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นอิสระรับใช่รับเป็นทาตของอารมณ์โอ้ คนโกรธเนี่ยคือคนโง่คนหลงคนโลกคนทุกข์นะคนโง่เราไม่ต้องโง่ขนาดนั้นหรอกสามารถที่จะฉลาดกว่านั้นก็ได้ไม่ต้องไปรับใช้ความโกรธไม่ไปเสียภาษาไม่ต้องไปรับใช้ความทุกข์พอเราเห็นโูกเห็นนามตามความเป็นจริงโูกมันทุกข์นามมันทุกข์ โรคโลกตามโรคโรกของลูกรักษาเยียวยาตามเหตุตามประงใจแต่โรคของนามเราก็โรู้เราก็ศึกษาแล้วก็รักษาได้จบมันต้องเกิดโรคอีกแต่โรคของลูกเกิดอยู่เรื่อยๆเช่นความเหี้ยวเห็นโรคของลูก แกไม่จบไม่สิน้นต้องกินความหนาวผมผ้าแถมก็ยังหนาวอยู่ความร้อนก็อาบน้ำํำมันนี้ของกินเลบในโลกเนี่ยบางคนไปกินกับลกูกผลปอยที่จะเอากินกับลกูกเาโอกาสวิ่งหาเป็นท่าของโลกตลอดเวลาก็ไม่ศกศกศกศกหาความสุขแบบปีนไป ยืนไปเห็นไ ป, นไปถึงยอดก็ตกลงมาเป็นสุขที่มียอดแต่นรามาทํานห่ยเป็นสุขกเกษตรสุขที่ไม่มียอดเป็นเราเป็นขี้กลากคนเก่าขี้กลากก็เหมือนกับมีความสุขแต่รักษาขี้กลกากให้หายจะเรียกว่าความสุขความเฉยเราไม่ต้องกลา่า พันธุพูดภาษาของนามไม่ต้องไปรับใช่อะไรสุขกเสมีมสุขไม่มียอดลูกมันทุกนามมันทุกแต่ทุกขของนาำเนี่ยแก้ได้ทีเดียวจบไปตลอดชาติเหมือนพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาวัดตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นได้ทั้งกิจใจ ทางคุณธรรมพุท ธ, ธะตัวเนี่ยโล่ตัวตื่นตัวเบิกบานเป็นได้ทั้งกิจใจแต่อาศัยลูกตัวนี้มีการกระทําอาศัยกันเป็นเหตุอาศัยลูกนี่เหมือนกับเรือเหมือนกับพงแพรที่ต้องขี่ข้ามให้ได้ทาไม่มีลูกไม่มีน้ําก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําดีทําอะไรได้โชคดีของพวกเราแล้ว มีลูกก็มีมือเคลื่อนไหวได้ลูกได้เดินได้แต่ไม่มีเคลื่อนไหวได้ก็มีกายมีใจก็ปฏิบัติได้อาจารย์กพนเนี่ยมีมือก็ใช้ไม่ได้มีอะไรส่วนขาส่วนแขนไม่ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ควมรู้สึกที่มีอยู่ในกาย่มกายมีกิดหายใจเข้าหายใจออกแต่เคลื่อนไหวก็น้อย แต่ก็มีมีเอนสีที่สำรวมได้ดีกว่าคนที่มีตามีหูมีขามีแขนอยากเกิลุกลุกไปเลยอยากเกิดนั่งนั่งลงเลยบางทีเอาไว้จะว่ามันมีโอกาสทาไมหลงได้้านําคนไม่มีโอกาสอยากลุกก็ลุกไปได้อยากไปจับนอนอยากไปเดินไปตรง น, นมันก็เดินไปไม่ได้ก็เลยสำรวม มาลูกอยู่แต่เพราะกายเพราใจที่ไม่ส่วนลูกแคบๆมันก็เลยเจริญอาจจะไม่เหมือนคนที่มีไว้ว่าใช่ได้สะดวกสบายอาจจะเป็นปอกเกิดแห่งการสร้างความหลงได้มากเหมือนคนตาบอดก็มีสัญญาเขาเอาศัยสัมผัสแล้วก็ลูกเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทสัญญาที่เขาลงออกกับบ้านเดินไปรอบบ้านได้เดินกลับบ้านได้ อันนี้ก็จักสารได้แต่ชีวิตเราบางทีถ้าเราใช้มันไม่เป็ น, นก็หลงถ้าใช้เป็ น, นก็โอ้ยเกิดประโยชน์มือก็มายกมือสงงั่งจางหวนมีอขาก็ใช้ให้ไปเกิดความรู้สึกย่าใชใ้เกิดความหลงมีตาก็ใช้ใช่ตามีหูก็ต้องใช้หู จะให้ตามันใช่จะให้หูมันใช่ตลอดถึงจิตใจก็เอาใจมาใช้เอาจิตมาใช่สิเรานี้เป็นคลังของสติสติเป็นเจ้าของยิบมันมาใช้ใช่ปัญญาด้วยสตินะมัอนกับคลังของสติจับมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะใช่เราจิตใจมันจะใช่เรา ตายมจะใช่เราซอกๆอกอกอกโมนีลยจริงๆริงปฏิบัติธรรมนะมีข้อมูลที่ทำไมเกิดพุท ธ, ธะเยอะแยะมากมายก่ายกองเรามีหลักถ้าเราไม่มีหลักก็เกิดข้อมูลทำให้หลงมากทีเดียวละ่ะโชคดีเหลือเกินที่บอกเราเวลานี่วันนี้เรามี อะไรที่พร้อมอยู่แล้วพรนั่งอยู่เราจะลูกเราจะเดินเราจะลูล้อะไรก็ลู้ได้ทันทีให้มั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมอย่าไปโมเดลลังเลสงสัยอยู่อ้าวเราเนี่มันพร้อมแล้วนะเนี่ ย, ยจะยกคลิกมือก็กลู้ได้เนี่ยข้อ ม, มือก็ลู้ได้หายใจดูก็ลู้ได้ปิตาก็ลู้ได้กินน้ำลายก็ลู้ได้นีมนุษย์สมบัติเนี่ วันนี้เป็นโอกาสที่เราจะทําอะไรได้แล้วพอหลวงพ่อเทียนบอกว่าที่เมื่ขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกยกรู้สึกไหมรู้สึกนี่แหละัวเท่านี้ทําเท่านี้เลยหลวงพ่อทําท่านี้แหละหลวงพอ่เ อ, งพอเทียนบอกโอ้ยเราก็คิดว่าถ้าจะพูดแบบคนมีความสามารถโอ้ยภาษาอะไรเท่านี้นะถ้าไม่คิดไปก็จะไปตามความคิดนะให้กลับาลูกตอนนี้ มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เอาแม่แต่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสีเห็นแสงก็จะไปเอาให้มาลูกตัวนี้อย่างเดียวนี่ยท่านบอกเขาเนี่ยเราก็หาที่เลยพวกเราอทมไมผมไปปฏิบัติธรรมกรติก็ไม่มีเราไปขอเตียงวัดบ้านปากโพไปเตียงพระไปช่วยหามมาเป็นโยมไป ทำไมซื้อผ้าพระสติกยี่สิบบาททำหลังคาฝนตกมังกรปีนี่ปบปบปบปบปปอยู่ใต้ต้นไม้ล่มไม้เหียงฝนตกใส่ผ้าใส่เตียงปบปบปบปบปบประกอบก็รอนนั่งสร้างเียงบัดเดินก็เดินไม่ได้เหงานอนก็ง่วงนอนก็ง่วงนอนนั่งสร้างแยงบัดอยู่ในเตียงที่ในหลังคาผ้าพลาสติก สองข้างเป็นหนามหามคัดเข้าในทางเดินพอเดินได้โยงเดินตามเป็นผงผงกับแม่กับแม่พึ่งถ้าถ้าเราเดินนะเจอในเตียงก็ยู่ในมุง่งทำเท่านี้หรือทำเท่านี้ยเราก็มั่นใจแล้ว ติมือข so ึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกอ้าวอ้าวมันก็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาความลูกเวลาเดินหลงก็ยิ่งดีจะได้มีบทเรียนจะได้รู้มันเวลามันงงอ้าวตบขาตกแขนตึกตักตปตักลู้ลุนตาขึ้นมองไปโนดมองไปนี่เกจตนะสองไปโน่นสองไปนี่มองหาเพื่อนหามิตรเอาความรู้สึกไปข้างนอก ก็ลู่เราก็กลับมากำลดัดตั้งต้นใไว่เรื่อยๆอ ย, อยาให้มันเก่าเรีบนะหมดอ่ะเรียบหมดอยาให้มันเก่านะมันเก่ามันพลาดฉันสร้างแค่ว่าไปนานๆหน่อยมันพลาครึ่งลูกครึ่งหลงว่ายุดยุดก็ามาหายใจหายใจเข้าหายใจออกปลดลมแรงๆให้มีความรู้สึกวางหน้าวางตาอ ตั้งโทตัวหม่อยยืดตัวขึ้นยืดคอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตังต้งคอตั้งใบหน้าหมากำหนดอริบทจรกมือสร้างเจ้าวะเอาให้มันองอาจทําไปทําไปมันเกา่าเอาตั้งต้นใหม่อีกให้มันชัดชั ด, ชดอยู่เสมออย่าทําแบบเครื่องลูกเครื่งงงรงองหลงนั่งสงกอยู่ก็ยังนั่งอยู่แล้วจ๋าไปทำเรียน เรามงบปุ๊บเป็นมาโอ้ตกใจตื่นขึ้นมารู้อ๋อตัวนี่มันตัวหลงอีกโย้ขึ้นมามันรู้ได้มันทำได้อย่าไปอ่อนเลอย่าคล้อยตามเลยง่ายอย่าให้เขามาหิ้วไปไ ง, ง่ายง่ายอ๋อจนี่เป็นตัวหลอกเก่ง เห้หลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่กิจอ่ะละมันจะหลอกหลอกให้หลงเราจริงกับตัวนี้ป่ะแม่เราสร้างจังหวะรู้ที่กายแต่ว่ามันตั้งเต้ไปดูกิจ ด, ด้วยนะหลวงปู่เทียนบอกว่าห้าสิบห้าสิบตัวหนึ่งมันรู้กายอยู่ส่วนหนึ่งมันตั้งเต้เก็กิจมันคิด่อกันว่ารู้ปั๊บปีกล่ะอืม จริงเราสร้างเราลูกที่กายมันก็ลูกกิดนั่นแหละกิดที่ันตองมหาดูมันเกิดมามันหุดขึ้นมาให้เราเห็นเองเห็นแล้วก็จ่าไปยุ่งกับมันอย่าไปจริงเราจังกับมันมันจะคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะไปยุ่งกับมันอย่าไปคุมมันอย่าไปบังคับมันเราหาที่ตั้งของเราฟังงว้ทย์กายนี่มันจะเก่งมันจะ สุขสนขนาดไหนก็ตามไปสนใจมันทำทีแรกนะถ้ามันมีอารมณ์รู <c oughs> ้จกลูปรู้จกนามจึงค่อยไปดูกิจบาเพ็ญทังกิจนะเอาสติดูกิจเข้าไปเลยแต่ได้ยังทำไม่ได้เพราะยังไม่มีอารมณ์แล้วก็ดูอยู่นั่นแหละเราดูกายแต่วันดูกิจ ดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรร ม, มน้งเขาพูดกันไอ้พูดตามเขวาว่ามันก็จริงนะเรากายมันก็เห็นจิดถ้าเราอย่าไปหารายละเอียดการเคลื่อนไหว น, นี่ก็คือจิตนั่นแหละคือประสาทคือสัญญาที่มันลู่จิตที่เราสั่งให้เคลื่อนไหวยิงอยู่ก็ อ, อย่าไปอย่าไปมุ่งหารายละเอียดให้ลู่เฉยๆได้หละในกายเนี่ยกายจริงๆเนี่ยเห็นกายเนี่ยลู่จริงๆอยู่นะ ไอ้จิตก็จิตนั่นแหละถ้าเราลุยที่ใครมันก็เหมือนกับสอดจิตมันก็มนกแม่เลี้ยงลูกน่อยลูกอ่อนแล้วอ่อนอยากให้ลูกมันอยู่แม่จะไปหุงข้าวไปนึ่งข้าวไปกวดบ้านเอาลูกมาวางไว้หาตุ๊กตาให้มันเล่นหลอกให้มันเล่นอยู่นั่นเราก็ไปทํา ง, งานได้ จิตของเราต้องกำกันหาหาสิ่งที่ให้มันเล่นเนี่ยพิธีจับจิตก็เนี่ยคือเอากายเนี่ยกําหนดรู้เดินไปหรือนั่งสร้างเียงหวะเหมือนให้มันเล่นอยู่ตรงไหนพิธีมันก็ไปทางอื่นก็กลับมาแต่มันไม่เปนตัวไป็ตนจิตนะต้องเอาวัตถุคือกายนี่เป็นนิมิตเป็นที่ตัง้งให้มันกลับมาให้มันรู้อยู่ตรงนี้ สองลูกอยู่นี่นานๆๆก็นนนนนนมือก็สอนจิตจิตมันก็ค่อยที่จะไม่ฟุ้งซ่านค่อยที่จะลุ้นทใหม่ๆ ม, มันหลงมากกว่าลูนะเหมือนกับว่ามันคิดมากเข้ามากเข้าพอทําให ม, ใหม่ความคิดมันทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาสิบปียี่สิบปี 20, สามสิบปีมันก็ยังเอามาคิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็ามาคิดไปข้างหน้าเอืนข้างหลัง ปัจจุบันเลยไม่มีบางทีหลังจากเกลืงคกุกขึ้นเขาทําใหม่ใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรใจดีสู้เสือเหตุผลว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพยายามที่จะรู้อยู่อนั่นแหละผิดของเราเมื่อก็เป็นองนั้นแหละเมื่อเราจะกําหนดให้มันเป็นที่เป็นทางมันไม่ยอมมันไม่ยอมเบื้องแรกก็เกิดที่วันแล้วทำ ตามมาฉันเะพยาบาทบางทีก็คิดขึ้นมาก็โกรธคนนั่นทํานี่คนนี้ทํานี่ถีนามิตะอุทะจะกุกุจจะคิดเหมือนกับไก่เขียบฟุง้งกุ ก, กุจจะเหมือนไก่กุกกุกคือไก่เขียคิดแบบไม่เป็นขี้นเป็นนั้นแล้วเราก็ลองเดชสงสัยจับจับจดจด อาจารย์น่นสอนอย่างนี้อาจารย์นี่สอนอย่างนี้เราชอบอย่างนี้อันนี้ผมพูดเรื่องผมนะไม่ได้พูดเรื่องใครผมเกิดสภาวธรรมของตัวเราเป็นนักสมถะ ท, ทำไปทําไมเอามือมาวางเอามือมาวางไว้บนตักนั่งสงบโอ้บรรพุก็ยกมงยกเมือหนึ่มันหนักมันก็ยากกลัวการที่ไปนั่งทำกรงม ทำไปทํามาก็มือนั่งเอามือวางไว้มืนถังนั่งสงบอย่างนี่ดีกว่าจะไม่ดีกว่าเราชอบแบบนี้ดูก็สวยงามกว่าสง่ากว่ามานั่งสร้างก้นวันมันไม่สง่าเลยบางทีอายเพื่อนแอกทําในกติมันคิดสารพัดอย่าง เอาเหตุเตาผลเอาตนเป็นที่ตั้งแห่งความชอบความไม่ชอบไม่ยมพูดเท่าคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วนั่งนิ่งๆท่านกำลังตะขิตนี่นไปนั่งตายอยู่นั่นเนีย่ยไปนั่งตายอยู่นั่นขยันหู้ก็ยันหูสร้างตโตะหู้สร้างโต๊โ้ ลู่สึกตัวเรามาลำดับตัวลู่ตัวนี้โอ้เรามาสร้างตัวลู่เนี่ยเรามาสร้างตัวลู่ตัวนี้ตัวลู่ต้องประกอบต้องสัมผัสเอาตัวลู่ตัวนี้ต้องสัมผัสต้องสร้างเอาทำเครื่องกระทาเอาไม่ใช่ไม่คิดเอาความสงบไม่ต้องสร้างหาสิ่งไว้ล้อมดีๆมันก็สงบไปแต่ตัวลู่ต้องสร้างนะ สติจะเกิดก็เพราะการประกอบนี่พิกใตที่หนึ่งแล้วลู่อีกลูกอี ก, ก, อกเดินจงกรมพอดีพอดีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งประมาณสามพันเก้าไม่ชาเกินไปไม่ไวเกินไปสามพันห้าร้อยเก้าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนั่งสร้างจังหวะถ้าพอดีพอดีเนี่ยเกือบจะวินาทีต่อละลู่แต่ละลูด แต่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถึงสามพันลูกทำพอดีพอดีใส่ใ จ, ใจพอดีพอดีโอ้มันก็เก็บเอาเก็บเอาโอ้ตัวลูกมันลู่ลู่ลูล่มันก็ไม่หลงลูท่ทีหนึ่ง ม, มันก็เหมือนกับเดินออกจากความหลงที่น่ะไกลไกลความหลงไปเรื่อยๆทาเท่านี้ทําเท่านี้ให้ความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลู่เมื่อความหลงไม่มยมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดธรรมชาติเกิดกดของธรรมชาติเหมือนแสงสว่างก็กมจัดก็เมื่อเมื่อเกิดแสงสว่างก็มองเห็นเราดูกายมันก็เห็นกายเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามเนี่ยมันบอกเปิดออกมาตาํารามันบอกกายใจของเรานะี่สงสารกายลูกทุกข์แต่ใจก็ยังไปใช่มันทุกข์อยู่ พอเห็นโลกเป็นนามก็คมโลภคม โ, รคมโรกรธคมหลงอดสั่นคลอนเต็มที่หาที่ตั้งในา ย, ยาะแต่ก่อนี้ไม่ไม่ไมีธรรมไ ม, ไ ม, ไม่เป็นธรรมต่อกันพอเห็นสติจะเป็นกลางเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลอรงสาโรโลกสามสิบปีเกือบมงตายนะเกือบตายก็สั่งการเขาสั่งงานเขาสั่งให้วิ่งสั่งให้ทําอะไรทุกอย่าง พอมาโลดเอโอ้มันกับการปลดปล่อยอยู่ใครอยู่ตัวใครตัวเราเนี่ย่าเบียดเพียนกันแจะมารังแกกันจะมาสั่งงานติดติดลูกมันทุกอยู่แล้วยังไปสั่งให้มันโกรธให้มันหลงให้มันโลภอยู่สั่งให้วิทตกกองเงินคุณพิดมันก็เพิ่มเติมซ่ําเติมลูกเกินไปขรงสารลูกบางทีน้าตาลไหลนะขรงสารตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้ลูกเลยนะ โอ้มันก็บรลุนอารมณนของชีวิตนะ้วเห็นลูกทุกเห็นน้าทุกดูทุกเข้าไปเลยโอ้ทุก์นม่ยนี่แต่ทุกของลูกของน้าก็เป็นแต่ทุกหายใจอยู่นี่ก็เป็นทุกทุกของลูกถ้าหายใจเข้าไม่ออกก็เป็นทุกอยู่แล้วหายใจออกไม่เข้ามันก็เป็นทุกต้องพิบตาต้องกลืนน้ำลายต้องกินต้องทายของนโลกน่ย เป็นกองทุกข์กนนะเพราะงหวตื่นจากทุกข์แล้วจะยังมีโกรธอะไรมาบังคับทับถมลงไปอีกมันก็ไม่เอาแล้วกันก็เกิดความเบากายเบากิตกายละหุตาจิตตาละหุตาความเบากายความเบากิาากตต่างเก่าพ้นภาวะเดิมนะวิปัสนาอล้วกบบนี้พ้นภาวะเดิมขึ้นมา เป็นวิปัสนาล่วงพ้นอันเก่าเป็นชีวิตที่ใหม่ๆพวกเก่าเห็นโลกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโลกโลกนามโลกเห็นสมมุติเต็มไปหมดสมมติคือเสียงเรงนาำก็สมมุติคําโูดคำจาก็สมมุติเราไม่รู้สมมุติเพราะว่าหมาเราก็โกล่เขาว่าบ้าเราก็โกล่โอ้สมมุติเฉยๆไม่ใช่ปลมัดิปรมาณิไม่ใช่สมมุติอืม เราเห็นสงมติเเห็นปลมาจคลุมไหมปลมัจารย์ถอดสภาวะธรรมเป็นเช่นนั่นเองผมไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนไม่ตัวไม่ตนเต็มไปหมดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจในโูกในลดในความร้อนความหนาวความหิวมีแต่ตัวตนวันนี้ตัวตนสลายลง ดีว่าสักกะยทิทฐิเนี่ยไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่ธรรมาชาติมีแต่อาการเห็นธรรมาชาติเห็นอาการอ้าวอ้ะวพอแล้วจะได้ไปทำตัวละอ